วันนี้เป็นวันศุกร์นะหลายคนนะจะมีความสุขมากเลยนะถ้าเป็นนักเรียนก็ดีใจเพราะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเสารอาทิตย์ก็หมายถึงวันหยุดนะงั้นวันศุกร์เป็นวันที่อยากจะให้มาถึงไวๆนะมาถึงแล้วก็ดีใจ แล้วก็ไม่ใช่สุกธรรมดานะสุกสามสิบนะสุกสิ้นเดือนนะคนก็ยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าเป็นวันเงินเดือนออกนะถ้าสุกสิบสามนี่ก็ดูน่ากลัวนะแต่ถ้าเป็นสุกสามสิบโอ้รอคอยนะเมื่อไหร่จะได้อ่าถึงเลิกงานสักทีนะ จะได้ไปเที่ยวกันสรุปสนานกันเงินเดือนออกแล้วแต่ว่าก็มีหลายคนนะที่อาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่นะถึงแม้เป็นสุขสามสิบนเพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่สุขสามสิบธรรมดานะมันสุขสามสิบกันยายนนะแปลว่าอะไรนะแปลว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่หลายคนจะทำงาน เป็นข้าราชาการก็ดีเป็นพนัก ง, งานและวิสาหกิจก็ดีวันนี้คือวันสุดท้ายรับราชาการมา30ปี40ปีคนจากวันนี้ไปก็ต้องอยู่บ้านแล้วนะงานที่เคยทำทุกวันทุกวันนี่ก็ไม่ได้ทำหลายคนอาจะสงสยเอ๊ะไม่ได้ทางานต้องจะมีความสุขนะ คนที่เกษียณวันนี้ก็คงจะเคยคิดแบบนี้แหละนะว่าถ้าไม่ต้องทำงานก็มีความสุขนะแต่พอถึงเวลาที่จะไม่มีงานทำจริงๆก็อาจจะไม่สบายใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่ไม่ได้ทำงานนี่มันทำให้รู้สึกเคร่งครวญนะหลายคนพอ๋อยว่าแต่ตกงานเลยถึงแม้จะเกษียรแล้วเนี่ย ที่เคยตื่นทุกเช้าไปทํางานตอนนี้ก็ไม่ต้องไปทํางานแล้วถึงไปเขาก็ไม่ต้อนรับนะเพราะว่ามีคนอื่นมาแทนที่แล้วห้องเดิมโต๊ะเดิมก็มีคนอื่นมาใช้แทนแล้ ว, ลวเคยมีลูกน้องมาต้อนรับมาบริการตอนนี้ก็ไม่มีแล้งานที่เคยทนะําะก็ไม่ได้ทํา ถึงตอนนี้คนจะรู้เลยว่าการที่ไม่ได้ทํางานนี่นะมันเป็นความทุกอย่างหนึ่งไอ้ตอนที่ทํางานก็นึกว่างานนี่มันทําให้ลําบากนะคนไม่ค่อยจะตระหนักว่าจริงๆแล้วงานนี่มันทําให้เรามีความสุขงานมันทาให้เรารู้สึกมีคุณค่าไอ้ตอนทํางานก็อาจจะรู้สึกโอ้ยไม่อยากทําเลยนะที่ทําก็เพราะเงินเดือนนะ แต่พอกเกษียณแล้วมีบำเหน็จบำนานแล้วนะแต่ไม่มีงานทำจะรู้สึกเคร่งค้างนะจะก่อนไปทำงานก็เจอเพื่อนเจอลูกน้องแต่พรุนี้ไปนี่ก็ไม่ได้เจอเพื่อนลงงานแล้วไม่เจอลูกน้องแล้วงานนี่มันเป็นสื่อให้คนเราได้มีสังคมนะได้พบมิสหายอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของงาน นั้นพอตกงานหรือว่าพอกเกษียณแล้วนะไอความสุขนะที่เคยได้จากการมีมิตรสหายมีเพื่อนร่วมงานได้เจอกันทุกวันมันก็หมดไปหลายคนมามันรู้ว่างานนี่มันเป็นบอกเกิดหากความสุขก็ตอนที่กเกษียณแล้วนะไอตอนที่มีงานทนํานี่มองไม่เห็นเห็นแต่ข้อไม่ดีของงาน นะแต่พอกเกษียณพอตกงานถึงรู้ว่าอา ง, งานมันก็มีข้อดีเยอะนะมันไม่ใช่แค่ให้เงินเดือนแต่มันยังให้ความสุขทางใจทำให้เราสูกมีคุณค่าทำให้เราไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวมีมิตรสหายมีผู้คนที่ร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกไหตุลหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากนะไม่อยากจะให้วันนี้มาถึงนะ ก็เพราะว่าคนจากวันนี้ไปนะลูกน้องบริษัทบริวาร น, นะผู้ใต้บังคับบัญชาที่เคยมาดูแลก็จะไม่มาและนะ้วพอกเกษียณแล้วมันก็หมายความว่าตำแหน่งก็ดีสถานะภาพก็ดีบริษัทบริวารก็ดีอำนาจที่เคยมีมันก็หมดไปเคยเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพ เคยเป็นอธิบดีประหลัดกระทรวงมีลูกน้องนะเป็นหมื่นเป็นแสนพอพรุ่งนี้นะก็กลายเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วนะไอ้สิ่งที่เคยทำให้ปราบปลื้มยินดีนะอัตตาพองโตมันก็หายไปหลายคนก็เลยมีความทุกข์ ที่จริงอันนี้มันเป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาของสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่าโลกธรรมอะไรที่เรามีวันนี้นะวันหน้าก็จะหมดนะหรือว่าเลือนหายไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความภาคเพียรพยายามเช่นตำแหน่งชื่อเสียงสถานภาพ ไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะพระเจ้าเคยตรัสว่าบุคคลที่ไม่พิจารณาผลแห่งความดนะีมันย่อมเกิดโทษนะจริงๆท่านพูดว่าเนี่ยผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาผลแห่งความดีก็อย่างที่บอกนะ เงินทองชื่อเสียงสถานภาพบริษัทบริวารอันนี้เป็นผลแห่งความดีหรือว่าความเก่งกล้าสามารถมันให้ความสุขเราในวันนี้แต่ถ้าเราไม่พิจารณามันก็กลายเป็นพิษนะพิจารณาว่าอะไรพิจารณ า, ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวแล้วมันก็ไม่ให้ความสุขอย่างแท้จริงถ้าไม่พิจารณาเนี่ยก็ไปยึดติดนะเกิดความประมาท คิดว่ามันจะอยู่กับเราไปจนตายนะพอถึงวันที่กเกษียณอายุกเกษรราชการนะ <c oughs> ก็ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็หมดไปใครที่ทำใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์นะบางคนกเกษียณไปแล้วเนี่ยไม่กี่ปีนะก็ป่วยโน่นป่วยนี่เพราะว่าทำใจไม่ได้นะอันนี้เรียกาผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาหลายคน พอขึ้นไปที่สูงแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะลงมาได้นะแต่ต้องลงนะเพราะว่าถูกบังคับให้ลงเช่นต้องออกจากราชการเพรา ะ, กระเกษียณแล้วหรือว่าหมดอายุครบเทอมเนี่ยอย่างประธานาธิบดีคลินตันเนี่ยตอนนี้เป็นอดีตไปนานแล้วก็เป็นประธานาธิบดีมาแปดปีพอกลับมาเป็นประชาชนธรรมดา ก็ทำใจไม่ได้ผ่านไปแล้วเจ็ดปีเขาก็ยังเคยให้สัมภาษณ์วันเนี้สมัยที่ผมเป็นประธานอธิบดีเวลาเดินไปไหนก็มีดนตรีบรรเลงเวลาจะไปประชุมเวลาเข้าห้องไปเปิดโน่นเปิดนี้ก็มีดนตรีมาเลงบรรเลงแต่เดี๋ยวนี้ผมไปไหนไม่มีดนตรีแล้วบางทีผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนกันแน่นนี้ก็สะทอ้อนถึงความรู้สึกว่ายังทาใจไม่ได้ คนเราเนี่ยเมื่อขึ้นที่สูงแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับความจริงนะว่ามันต้องลงนะขึ้นแล้วก็ต้องลงเมื่อเราขึ้นเขาอะขึ้นเขานี่มันก็ยากแล้วนะแต่การลงเขานี่ยากกว่าอันนี้คนมักจะไม่ค่อยคิดเท่าไหรมันมีมักคุเท่คนหนึ่งที่พาคนเนี่ยขึ้นยอดเขาเอเวอรเรสต์ยอดเขาเอเวอเรสต์นี่มันสูงสุดในโลกนะเกือบเก้ากิโลเมตรเขาเคยพูดว่าเนี่ย แม้แต่คนปัญญาอ่อนเนี่ยก็ขึ้นเขาขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ได้พูดอย่างนี้เลยนะว่ามันไม่ยากเลยหรอกคนปัญญาอ่อนก็ขึ้นได้นะขอให้มีเงินก็นแล้วกันแนละ้วก็ขอให้มีเริอวมีแรงแต่เขาว่าสิ่งที่มันสําคัญกว่าและยากกว่าคือการลงจากเขาลงจากยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างมีชีวิตนะเพราะส่วนใหญ่ขึ้นไปถึงนะแต่ว่าลงมาไม่ได้เพลินอยู่บนยอดเขา พเพลินจกนกระทั่งลืมเวลาลงนะคือเขาให้อยู่ได้มันไม่เกินสักสิบนาทีสิบห้านาทีต้องลงแล้วเพราะว่าดินฟ้ า, ากาศมันแปรปวนเร็วมากรีบขึ้นก็ต้องรีบลงและลงเนี่ยก็อันตรายกว่าขึ้นคนที่ตายเพราะระหว่างขาลงนี่เยอะนะเขาบอกในสิ่งที่ยากกว่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นเขาถึงยอดเอเวอเรสนะแต่ว่าลงลงก็คือลงอย่างมีชีวิตนะ ที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะยอดขายเเวอเรสนะความสําเร็จเนี่ยคนเราขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยมันก็ยากแล้วนะแต่ว่าการที่จะลงมาอย่างมีความสุขและมีชีวิตชีวานี่ยากกว่าเช่นเป็นประหลัด ก, กระทรวงเป็นรัฐมนตรีอ่ารัฐมนตรีมันไ ม, มน่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่30กันญาเป็นปลัด ก, กระทรวงเป็นผ อ, อเหล่าทัพเป็นอธิบดีนะเป็นผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจ อันนี้ก็ยากแล้วนะแต่ว่าพอลงจากอำนาจลงจากตําแหน่งนี่มันยากกว่าลงยังไงถึงจะมีความสุขในเมื่อเคยคุมลูกน้องเป็นพันเป็นหมื่นถ้าเป็นพอบอรบเราท่านเนี่ยคุมคนเป็นแสนนะมีลูกน้องแต่มาเข้าบัญชาเป็นแสนวันนี้ไม่มีใครสักคนนะแล้วทําไงถึงจะมีความสุขได้นะจริงๆมันเป็นข้อดีนะไอ้การที่ลูกน้องบริษัทบริวารหายไปเนี่ย มันเป็นสิ่งเตือนใจว่าของเรานี่มันไม่เที่ยงแล้วก็มันทําให้เราได้ตระหนักว่าบริษัทบริวารอำนาจชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่มาแห่งความสุขอย่างแท้จริงการที่สูญเสียสิ่งนั้นเรานับไปทําให้หันกลับมาหาความสุขที่แท้หลายคนพอเกษียณแล้วก็เออกลับมาศึกษาธรรมะหันมาสนใจธรรมะและพบว่าจริงๆแล้วการบังคับบัญชาคนสองแสนคนหรือคนเป็นแสนนี่มัน มันยากกว่าการบังคับบัญชาตัวเองซะอีกนะทำยังไงถึงจะทำให้ตัวเองมีความสุขอันนี้ยากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าพอเกษียณแล้วไม่มีงานทำที่จริงก็มีนะก็คือการหาทางที่จะบังคับบัญชาตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองให้มีความสุขนะอันนี้คืองานที่รอเราอยู่นะอาจจะใช้เวลา1 0ปี20ปีนะบางคนเกษียณแล้วนี่อยู่ได้อีก30ปี สามปีเนี่ยมันก็มีงานที่รออยู่นะคือการเอาชนะกิเลสตัวเองนะบังคับบัญชาตัวเองให้มีความสุขงานที่สาคัญคือผู้ยานีก็คือกเกษียณจากความทุกขนะ์น ะ, ะเกษียณจากราชการแล้วนี่มันยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะไอ้ที่สาคัญกว่านั้นเราเป็นงานที่รอเราอยู่คือกา ร, รเกษียณจากความทุกข์น ะ, ะเกษียณจากราชการแต่ไม่กเกษียณความทุกข์นี่มันก็ยัง ถือว่าเกิดมามันยังไม่ได้ทําประโยชน์เต็มที่เท่าไหร่นะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์จากความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ในะกา ร, กรเกษียณจากความทุกข์ต่งางหาหนะ้าที่มันเป็นงานที่ท้าทายที่เราราอยู่แล้วก็มันให้ผลตอบแทนที่สูงมากคือความสุขนะเอาแล้วก็ผู้กันเท่านี้